พระไตรปิฎกเล่มที่สิบอ็ดพระสูตรที่สิบสังคีติสูตรว่าด้วยการสังคยานาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จถึงกรุงปาวาของพวกเจ้ามัลละประทับอยู่หน้าสวนมะม่วงของนาจุนทะกามารบุตรสมัยนั้นพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาโปรดให้สร้างท้องพระโรงใหม่เสร็จได้ไม่นาน เมื่อทราบ ว, ว่าพระผู้มีพระภาคเสเด็จมาพร้อมพิสุปสงหมู่ใหญ่จึงกราบทูล น, นิมนต์ขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นปฐมมะเรกและพวกเจ้ามัลระกรุงปาวาจะใช้ภายหลังพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ทรงแสดงธรรมมิคถาแก่พวกเจ้ามัลระเกือบตลอดคืนเมื่อพวกเจ้ามัลระกรุงปาวาเสเด็จ ก, กลับไปแล้วทรงเห็นว่าหมู่สงยังไม่ง่วงจึงตรัสสั่งให้พระสารีบุตรแสดงธรรมแทน ลวส่งพักผ่อนด้วยการสำเร็จสีห์สายยาคือการนอนตะแคงขวาทรงมีสติสัมปชัญญะทรงกำหนดพระไทยพร้อมจะเสด็จลุกขึ้นสมัยนั้นนิครนทนตบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิคร น, นานตบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองฝ่ายต่างบาทหมางกันทะเลาะวิวาทกัน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 ข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มเหงท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื่องตนให้พ้นผิดเถิดเห็นจะมีแต่การฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิครนผู้เป็นสาวกของนิครนธนตบุตรแม้พวกสาวกของนิครนธนตบุตรที่เป็นคะระหัดนุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายคลายความรับ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 ทีี่่่ไมมพงอาศัยครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนิครณทนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครณทนาตบุตรนั้นพวกนิครณจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกเหตุเพราะธรรมวินัยที่นิครนทนาตบุตรกล่าวไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนาออกจากทุกข์ได้ ส่วนธรรมะนี้แหลพระผู้มีพระภาคของพวกเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนําออกจากทุกขได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคยานาไม่พึงวิวาทกันในธรรมะนั้นเพื่อให้พรุงมจันนี้ตั้งอยู่ได้นานดํารงอยู่ได้นานข้อนั้นเพื่อเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคิติหมวดหนึ่งท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละหนึ่งประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยชอบแล้วคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารสังคีติหมวด2ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้ว 1. น, นามและรูปนามหมายถึงอรูปขันธ์สคือ 1. เวทนาขันธ์สสัญญาขันธ์สสังขารขันธ์ วิญญาณนันขันและนิพพานรูปหมายถึงมหาพุทธรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปสี่คืออุปปาทายรูป24 2. อ, อวิชชาและภาวะตัณหาอาวิชชาความไม่รู้แจ้งในสัจจะสี่มีทุกข์เป็นต้นและภาวะตัณหาความทยานอยากความปรารถนาในภพ สภวะทิฏฐิและวิภวทิฏฐิภวะทิฏฐิความเห็นเนื่องด้วยพบหมายถึงสัจสตทิฏฐิคือเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงและวิภวทิฏฐิความเห็นเนื่องด้วยวิภพบหมายถึงอุเฉ ท, ทัตทิฏฐิคือเห็นว่าอัตตาและโลกขาดศูน 4. อหิริกะความไม่ละอายบาปและอโนตุตตะปะความไม่กลัวบาปหา หิริความอายบาปและอดตะปะความกลัวบาป 6. โทวะจัตสตาความเป็นผู้ว่ายากและปาปามิตตาความมีบาปมิตร 7. โสวะจัตสตาความเป็นผู้ว่าง่ายและกัลยานามิตตาความมีกัลยานามิตรแปดอาปฏิกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอาบัต และอปฏิวัตินักกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติเก้าสมาปติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติและสมาปฏิวทตานกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติสิบทาตูกุสลตาความเป็นผู้ฉลาดในธาตุและมนาสิการักุสลตา ความเป็นผู้ฉลาดในมณัติการสิบเอ็ดอายตนะกุสลตาความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะและปฏิจจสมุปปาทกุสลัตาความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท 12. ฐานะกุสลัตาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอัฏฐานะกุสลัตาความเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐานะ 13. อาชาชวะความซื่อตรงและลัชวะความละอายสิบสี่ขันติความอดทนและโสรจะความเสงเง่ยมสิบห้าสาขละความมีวาจาอ่อนหวานและปฏิสันฐานการต้อนรับสิบหกอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนและโสเจยะความสะอาด 17. มุท ธ, ธสัจจะความหลงลืมสติ และอสัมปัชัญญะความไม่รู้ตัว 18. สติความระลึกได้และสัมปัชัญญะความรู้ตัว 19. อินทริเยสุอคุตตะทวารตาความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์และโพชเนอมัตตัญยุตาความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค20อินเทริเยสุคุตตะทวารตา ความคุ้มกรองทวารในอินทรีย์และโพชเนมัตตัญยุตตาความรู้จักประมาณในการบริโภค21ปฏิสังขาณภะะกำลังคือการพิจารณาและภาวนาภละกำลังคือการเจริญ22สิติภละกำลังคือสติและสมาธิภะะกำลังคือสมาธิ23สมสมถะ การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิละวิปัสนาความเห็นแจ้ง 24. สมถะนิมิตนิมิตแห่งสมถะและปักขหะนิมิตนิมิตแห่งความเพียร25่สิบหปัจขะความเพียรและอวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่าน26ศีลวิบัติความวิบัติแห่งศีลและทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฏฐิ ย7่ิศีลสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีลและทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ 28. ิศีลวิสุทธิความหมวดจดแห่งศีลและทิฏฐิวิสุทธิความหมวดจดแห่งทิฏฐิ29ิทิฏฐิวิสุทธิความหมวดจดแห่งทิฏฐิและยถาทิฏฐิปทานะความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิสาสิ 30. สังเวชนีเยสุถาเนสุสังเวคะความสลดใจในที่ที่ควรสลดใจและสังวิกั ส, สะโยนิโสประทานะความเพียรโดยแยบคายของผู้มีความสลดใจสามอ็ุสเลสุธรรมเมสุสันตุทิตาความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายและปธานสมิงอัปปติวานิตาความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียร สาวิชาความรู้แจ้งลาวีมุตความหลุดพ้นสาขยญาณความรู้ในการสิ้นกิเลสและอนุ ป, ปาทยานความรู้ในการไม่เกิดกิเลสท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหลคือธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วสังคีติหมวดสท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสามประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้วคือ 1. อกุศลลมูลสได้แก่อกุศลลมูลคือโลภะความอยากได้ อคุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้ายอากุศลมูลคือโมหะความหลง 2. กุศลมูลสได้แก่กุศลรมูลคืออ โ, โลภะความไม่อยากได้กุศลรมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้ายอากุศลรมูลคืออโมหะความไม่หลง 3. ทุจริตสาได้แก่ กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจสสุจริตสาได้แก่กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจามโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจห้า กุศลวิตกษสได้แก่กามวิตกความตรึกในทางกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียน 6. กุศลลวิตกษสาได้แก่เนคขมะวิตกความตรึกปลอดจากกามอพยาบาทวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาทอวิหิงสาวิตก ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน7อกุศลสังกัปปะสได้แก่กามสังกัปปะความดำริในทางกามพยปาทสังกัปปะความดำริในทางพยาบาทวิหิงสาสังกัปปะความดำริในทางเบียดเบียนแกุศลละสังกัปปะ3ได้แก่เนคขมะสังกัปปะ ความดําริปลอดจากกามอพยาปาทะสังกับปากความดําริปลอดจากพยาบาทอวิหิงสาสังกับปะความดําริปลอดจากการเบียดเบียน 9. อกุศลสัญญาสได้แก่กามสัญญาความกําหนดหมายในทางกามพยาปาทะสัญญาความกําหนดหมายในทางพยาบาทวิหิงสาสัญญา ความกำหนดหมายในทางเบียดเบียน 10. กุสลสัญญา3ได้แก่เน่ค ม, มัสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากกามอพยาปาทสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากพยาบาทอวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายปลอดจากการเบียดเบียน 11. อกอัอกุสรธาตุสได้แก่กามธาตุธาตุคือกาม พยบาทธาตุธาตุคือพยาบาทวิหิงสาธาตุธาตุคือวิหิงสาสิองกุศลธาตุสามได้แก่เนคขมธาตุธาตุคือเนคขมอะพยาบาทธาตุธาตุคืออะพยาบาทอวิหิงสาธาตุธาตุคืออวิหิงสา13บาธาตุสามอีกในหนึ่ง ได้แก่กรมธาตุธาตุคือการมพบรูปธาตุธาตุคือรูปพบอรูปธาตุธาตุคืออรูปพบสิบธาตุสามอีกในหนึ่งได้แก่รูปธาตุธาตุคือรูปพบอรูปธาตุธาตุคืออรูปพบนิโรธาตุธาตุคือนิโรธสิบห้า ธาตุสมอีกในหนึ่งได้แก่หินธาตุาธาตุอย่างหยาบมชิมธาธาตุธาตุอย่างกลางปณีตักธาตุาธาตุอย่างประณีต 16. ตันหาสามได้แก่กามตันหาความทยานอยากในกามภวะตันหาความทยานอยากในภพวิภวะตันหาความทยานอยากในวิภพ 17. ตันหา3มอีกในหนึ่งได้แก่การมตันหาความทะยานอยากในการมาพบรูปรตันหาความทะยานอยากในรูปประพบอรูปร 18, ตันห า, <|so|>. หาความทะยานอยากในอรูปประพบสตันหาสมอีกในหนึ่งได้แก่รูปตันหาความทะยานอยากในรูปประพบอรูปตันหาความทยานอยากในอรูปประพบ นิโรธาัญหาความทยานอยากในความดับศูนย์ข้อนี้หมายถึงราคะที่สหรารคตรหรือสหรารัตตะด้วยอุเฉทัิทิฏฐิที่ถือว่าพบคือความเป็นมนุษย์ความเป็นเทพชั้นกรรมวจรความเป็นเทพชั้นอรูปาวจรและชั้นอรูปาวจรขาดศูนย์สสังโยตสามได้แก่สักยะทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยศิลปัตตาปรามาตความถือมั่นในศิลรศยี่สิบอสวะษสามได้แก่กามาสวรษอสวะคือกามภวาวะอสวรษอสวะคือพบอวิชชาอสวรษอสวรคืออวิชชายี่สบอ็ดพบสาม ได้แก่กามมพบพบที่เป็นการมาวาจรรูปภพบพบที่เป็นรูปาวจรอรูปภพบพบที่เป็นอรูปาวจร22เอสนาสคือการสแสวงหาได้แก่กามเมสนาการสแสวงหากามภเวสนาการสแสวงหาภพพระมจริเยสนาการสแสวงหาพระมจ ร, ร์ ยี่สิบสามวิทาสามคือความถือตัวได้แก่เสยโยหามัตมีติวิทาถือว่าตัวเราเป็นผู้เลิศ ก, กว่าเขาสัทิโสหามัตมีติวิทาถือว่าตัวเราเป็นผู้เสมอเขาฮิโนหามัตมีติวิทาถือว่าตัวเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขาย4่ 24, อันทาสามได้แก่ อดีอันทาอดีตการอนาคตอันทาอนาคตการปัจจุบันนาอันทาปัจจุบันการ23อันตัดสได้แก่สักกยะอันตะส่วนสุดคือสักกายะสักกายะสมุทธยอันตะส่วนสุดคือสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธาอันตัดส่วนสุดคือสักกายะนิโรธ 26. เวทนาสได้แก่สุขเวทนาความรู้สึกสุขทุกขเวทนาความรู <Turtle> <Leonard immersion. S 2> ้ส like ึกทุกขทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุข27่ทุกขตาสได้แก่ทุกขทุกขตาสภาวะทุกขคือทุกขสังขารทุกขตาสภาวะทุกขคือสังขาร วิปริณามทุกขตาสภาวะทุกคือความแปรผันไป28่สิราศีสาในที่นี้สะกดด้วยสอเสือสระีนะครับหมายถึงกองได้แก่มีชะ ต, ตนิยต์ราสีกองแห่งธรรมะที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสมัตานิยต์ราศีกองแห่งธรรมะที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน อนิตยราศีกองแห่งธรรมะที่ให้ผลไม่แน่นอนยี่สิเก้ามะสคือความมืดได้แก่เคลือแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสรารบอดีตการเคลือแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสราบรอบอนาคตการเคลือแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสรารบปัจจุบันการ สาอรักเขยะสคือข้อที่พระตถาคตไม่ต้องรักษาได้แก่พระตถาคตทรงมีกายสมาจารคือความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ไม่ทรงมีกายทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้กายทุจริตของเรานี้พระตถาคตทรงมีวจีสมาจารความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ไม่ทรงมีวจีทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้วจีทุจริตของเรานี้พระตถาคตทรงมีมโนสมาจารคือความประพฤติทางใจบริสุทธิ์ไม่ทรงมีมโนทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทยัยว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้มโนทุจริตของเรานี้ 31. อกิญจนะสาม เรื่องกังวลได้แก่ราคากินจนะเรื่องกังวลคือราคะโทสักกินจนะเรื่องกังวลคือโทสะโมหกินจนะเรื่องกังวลคือโมหะ 32. สอักคิษสามคือไฟได้แก่ราคคิไฟคือราคะโทสัคิไฟคือโทสะโมหกคิไฟคือโมหะ สามคิบสามอีกในหนึ่งอหูเนยยักขีไฟคืออาหุเนยะบุคคลขะหะปะตักขีไฟคือขะหะบดีทักขีเนยักขิไฟคือทักขิเนยะบุคคล34รูปประสังคขะสามได้แก่สนิททัศนะสัพปติขะรูปรูปที่เห็นได้และสัมผัสได้ อั น, นิทัศนะสัติขะรูปรูปที่เห็นไม่ได้แต่สัมผัสได้อันนีทัศนะอัปปติขะรูปรูปที่เห็นไม่ได้และสัมผัสไม่ได้ 35. สังขารสได้แก่ปุญญาพิสังขารสภาพทีิปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีปุญญาพิสังขารสภาพพิปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่ว เนยชาพี่สังขารสภาพที่ปรุงแต่งพบอันมั่นคงไม่หวั่นไหว 36. บุคคลสามได้แก่เสขะบุคคลบุคคลผู้ยังต้องศึกษาอาเสขาบุคคลบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเนวเสขานาเสขาบุคคลบุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็มิใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็มิใช่ 37เจทระสได้แก่ชาติเทระพระเทระโดยชาติธรรมเทระพระเทระโดยธรรมสมมุติเทระพระเทระโดยสมมุติ38บุญกิริยาวัตถุสได้แก่ทานไมยบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานศีลไม่บุญกิริยาวัตถุ บุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลภาวนาไม่บุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนา39โจทนาวัตถุสเหตุที่ใช้โจดได้แก่ทิเทนะโจดด้วยได้เห็นสุตเตนะโจดด้วยได้ยินได้ฟังปริสังกายะโจดด้วยความระแวงสงสัย 40. กามุปติสการเกิดในการมาพบได้แก่สัตว์ที่มีกามปรากฏเฉพาะหน้ามีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายที่ปรากฏเฉพาะหน้าแล้วเช่นมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกักบางพวกข้อนี้หมายถึงสัตว์จาพวกปลาและเต่าเป็นต้นที่มีที่อยู่ประจาของตนยกเว้นสัตว์นรก นี้เป็นกามุปฏิที pues ่หนึ่งสัตว์ที่เนรมิตกามคุณได้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเนรมิตแล้วเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายเช่นพวกเทพชั้นนิมานรดีนี้เป็นกามุปฏิที่สองสัตว์ที่ผู้อื่นเนรมิตกามคุณให้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามคุณที่ผู้อื่นเนรมิตให้แล้ว เช่นพวกเทพชั้นปรานิมิตาสาวัตตีนี้เป็นการมุปติที่สามสอการเข้าถึงความสุขสามสัตว์พวกที่ทำความสุขให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วอยู่เป็นสุขมีอยู่เช่นพวกเทพชั้นปรมกายิกานี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่หนึ่งสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเช่นพวกเทพชั้นอภัสระนี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สองสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นยินดีสวยสุขทางจิตอันประนีเท่านั้นเช่นพวกเทพชั้นสุขปกินหะนี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สาม 42. ปัญญาสาได้แก่เสขะปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ยังต้องศึกษา but, เสขะปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเนวะเสขานาเสขะปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็มิใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็มิใช่ 43. ปัญญาสามอีกในหนึ่งได้แก่จินตามายะปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคิดสุดตตมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรม 44. อาวุธสอาวุธแปลว่าเครื่องมือที่ใช้ป้องกันหรือต่อสู้ในที่นี้หมายถึงอาวุธในทางธรรมสามประการสุตตะหมายถึงพระพุทธพจน์ปวิเวกะ หมายถึงวิเวก ค, คือความสงัดสามประการคือกายวิเวกจิตตะวิเวกและอุปธิวิเวกปัญญาหมายถึงปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระอาวุธสามได้แก่สุตตาวุธอาวุธคือสุตตะหมายถึงพระพุทธพจน์ปวิเวกาวุธอาวุธคือปวิเวกหมายถึงความสงัดสามประการปัญญาวุธ อาวุธคือปัญญาหมายถึงปัญญาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระัก่สอินซีย์มได้แก่อนัญญาตัญญสามีตินซีอินซีของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้อัญญินซีอินซีคือปัญญาที่รู้ทั่วถึงได้แก่โสดาปฏิผลญาณ ปัญญาตาวินศีอินศีของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว46จักขุสามได้แก่มังสจักขุตาเนื้อทิพพจักขุตาทิพ ป, ปัญญาจักขุตาคือปัญญา47สิกขาสามได้แก่อธิศิลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่ง อธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่ง48ภาวนาสามได้แก่กายภาวนาการอบรมกายจิตภาวนาการอบรมจิตปัญญาภาวนาการอบรมปัญญา49อนุตริยะสามได้แก่ ทัศนานุตตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมปฏิปทานุตตริยะการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมวีมุตานุตตริยะการหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม 50. สมาธิสได้แก่สวิตตะกะสวิจาระสมาธิสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารอวิตตะกะวิจาระมัตตสมาธิ สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาวิตกกาอวิจาระสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารณ์5สอสมาธิสอีกในหนึ่งได้แก่สุญญตะตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาเห็นความว่างอนิมิตตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาธรรมอันไม่มีนิมิตอปปนิหิตตาสมาธิ สมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนา52โสเจยะสามความสะอาดได้แก่กายโสเจยะความสะอาดทางกายวจีโสเจยะความสะอาดทางวาจามโนโสเจยะความสะอาดทางใจ53โมเนยยะสาม ธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีได้แก่กายโมเนยะธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางกายวจีโมเนยะธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางวาจามโนโมเนยะธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางใจ54โกสัลละสาความเป็นผู้ฉลาดได้แก่อายโกสัลละความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ อปยโกสัน ล, ละความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมอุปบายโกสัน ล, ละความเป็นผู้ฉลาดในอุบายอุปยโกสัน ล, ละหมายถึงปัญญาที่รู้จักวิธีทาการงานทั้งฝ่ายเสื่อมและฝ่ายเจริญห5บมทัทกษสความมัวเมาได้แก่อโรคยมทกความมัวเมาในความไม่มีโรค โยพระภณะมท ะ, ะความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวชีวิตะมท ะ, ะความมัวเมาในชีวิต56อธิปไตสาได้แก่อัตตาธิปไตยความมีตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยความมีธรรมะเป็นใหญ่5้บเกระถาวัตถุสาม ได้แก่กล่าวถ้อยคําว่าการที่ล่วงไปแล้วได้มีแล้วอย่างนี้ปรารบการส่วนอดีตกล่าวถ้อยคําว่าการที่ยังมาไม่ถึงจะมีอย่างนี้ปรารบการส่วนอนาคตกล่าวถ้อยคําว่าการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้ปรารบการส่วนปัจจุบันนี้5้ิบแวิ ช, ชาสาม ได้แก่วิชาคือปุเพนิวาสานุสติญาณความอย่างรู้ที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้วิชาคือจุตูปปาตายญาณความอย่างรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายวิชาคืออาสวะขยะญาณความอย่างรู้ในธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย59วิหารธรรมสาม ธรรมะเป็นเครื่องอยู่ได้แก่ทิพภะวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่ของเทพพรหมวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมอริยวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ60ปาฏิหารสามได้แก่อิทธิปาฏิหารปาฏิหารคือฤทธิ์อเทศนาปาฏิหารปาฏิหารคือการทายใจ อนุสาสนีปาติหารปาติหารคืออนุสาสนีท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือธรรมะบทละสามประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังขยาาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้น เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวดสธรรมะหมวดละสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้วคือสติปฐานสธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสติภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่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 บรรลุตัติยาฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัส ด, ดับไปก่อนแล้วบรรลุจ ต, ตุตถะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่สมาธิภาวนาสี่หนึ่ง สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะสมสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อสติสัมปัชชญญะ 4. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ยอมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากรกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร์บรรลุทุติยฌ า, านบรรลุตติยฌ า, านบรรลุจตุตะตะฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่สมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มณสิกานถึงอโลกสัญญาความกําหนดหมายในแสงสว่าง อธิฐานทิวาสัญญาความกำหนดว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ในที่นี้หมายถึงการเข้าสมาบัติโดยมีฌานเป็นฐานสมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อได้ยาณทัศนะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้ว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 ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอสุวะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีปกติเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานนขันห้าอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้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 2. มีการุณาจิต 3. มีมุทิตาจิต 4. มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สทิศเบื้องบนหมายถึงเทวโลกทิศเบื้องล่างหมายถึงนรกและนาคทิศเฉียงหมายถึงทิศย่อยของทิศใหญ่หรือทิศรองแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบู์เป็นมหัคตะ ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มหัคตะหมายถึงอารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ชั้นรูปราวจรและชั้นอรูปราวจรเพราะมีผลที่สามารถข่มกิเลสได้และหมายถึงชันทะวิริยะจิตตะและปัญญาอันยิ่งใหญ่อรูปสีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่ง บรรลุอากาศานัญญาตนาชานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่และลวงรูปสัญญาดับปฏิกาสัญญาไม่กำหนดนา น, นัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง 2. อง 2. ลวงอากาศานัญญาตนาชานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญญาตนาชานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ 3. ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่4ล่วงอากินัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานอยู่อภสเสนธรรมสธรรมะเป็นดุจพนักหิงภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 และพระสาวกของพระพุทธเจ้าภิกษุในพระธรรมวิเนยนี้หนึ่งสันโดดด้วยจีวรตามแต่จะได้กล่าวสันเสริญความสันโดดด้วยจีวรตามแต่จะได้ไม่มีการสแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมวกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษ ในที่นี้หมายถึงมองเห็นการต้องอาบัติเพราะการสแสวงหาไม่สมควรและการบริโภคราบที่ติดใจมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า 2. ส, สันโดษด้วยบินธบาตตามแต่จะได้กล่าวสรนเสริญความสันโดษ ด, ด้วยบินธบาตตามแต่จะได้ไม่มีการสแสวงหาอันไม่สมควรเพราะบินธบาตเป็นเหตุไม่ได้บินธบาตก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกฉันอยู่และไม่ยกตนคมผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบินทบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปัชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยบินทบาทตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า 3. ส, สันโดษด้วยเศนาสนะตามแต่จะได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 ภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยเศนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า 4. มีปหาณะคือการละเป็นที่ยินดียินดีในปหาณะมีภาวนาเป็นที่ยินดียินดีในภาวนา และไม่ยกตนขมผู้อื่นเพราะความเป็นผู้มีปหานะเป็นที่ยินดียินดีในปหานะเพราะความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่ยินดียินดีในภาวนานั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปัตยัญญะมีสติมั่นคงในปหานะและภาวนานั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า ประธานส 1. สังวรประธานเพียระวัง 2. ปหาณประธ า, านเพียรละ 3. ภาวนาประธานเพียรเจริญ 4. อนุรักษณาประธานเพียรรักษาสังวรประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือรวบถือคือมองภาพรวมโดยเห็นเป็นหญิงหรือเป็นชายเห็นว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่อ่อนนุ่มเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาด้วยอำนาจจันทราคะแยกถือคือมองแยกยะเป็นส่วนๆไปด้วยอำนาจกิเลสเช่นเห็นมือเท้าว่าสวยหรือไม่สวยเห็นอาการยิ้มแย้มหัวเราะการพูด การเหลียวซ้ายแลขวาว่าน่ารักหรือไม่น่ารักถ้าเห็นว่าสวยน่ารักก็เป็นอิทธารมถ้าเห็นว่าไม่สวยไม่น่ารักก็เป็นอนิฐารมภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรม คืออภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขาและโทมนต์ความทุกข์ใจครอบงำได้จึงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผูภพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินศี ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรียีถึงความสำรวมในมนินทร์สีนี้เรียกว่าสังวรระปทานปหานประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีในการมวิตกที่เกิดขึ้นละบันเทาทำให้หมดสิ้นไป ทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่ยินดีวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอากุศลลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีนี้เรียกว่าปหานาประทานภาวนาประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ จเจริญสติสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธวิเวกคือความสงัดวิราคะคือความคลายกำหนัดนิโรธคือความดับทั้งสามคำนี้เป็นชื่อเรียกนิพพานจเจริญสติสัมโพชงที่อาศัยวิเวกวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวอสักะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเป้นธรรมเจริญวิริยะสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรเจริญปิติสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจเจริญปัสสติสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ เจริญสมาธิสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่นเจริญอุเบกขาสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวตสักะนี้เรียกภาวนาประธานอนุรักษนาประธานเป็นอย่างไร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 กำหนดหมายซากศพที่มีน้ําเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปริออกวิชิตตกะสัญญากําหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นสองท่อนอุทุมมาตะกะสัญญากําหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอื่นนี้เรียกว่าอนุรักษณาประทานยานสี่หนึ่งธรรมยาน ความรู้ในธรรมะ 2. อ, อันวยะยานความรู้ในการคล้อยตาม 3. าปริยะยานความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อื่น 4. ส, สมุตติยานความรู้ในสมมุติยานสี่อีกในหนึ่ ง, งทุกขยานความรู้ในทุกข์ 2. ทุกขสมุททะยานความรู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข 3. ทุกขานิโรธญาณความรู้ในความดับแห่งทุกข 4. ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาญาณความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกของ์แห่งการบรรลุโสดาบันส 1. สัพุริษสังเสวะการคบหาสัตบุรุษ 2. ส, สัตธรรมมัสสวนะการฟังพระสัทธรรม 3. โยนิโสมณสิการการมณสิการโดยแยบคายสธรรมานุธรรมะปฏิปฏิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมองค์แห่งพระโสดาบันสพระอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้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 ที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สัรเสริญไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิสามัญยผลสผลแห่งความเป็นสมณะ 1. โสดาปติผล 2. สกทาคามิผล 3. อนาคามิผลส อรหัตตผลธาตุสี่หนึ่งปฐวีธาตุธาตุดิน 2. อาโปธาตุธาตุน้ํา 3. เตโชธาตุธาตุไฟ 4. วายโยธาตุธาตุลมอาหารสี่หนึ่งกวลิงการาหารอาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียด 2. ผัสสาหารอาหารคือผัดักสามมโนสัญญาเจตนาาหารอาหารคือมโนสัญญาเจตนา 4. วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณวิญญาณทิติสี่วิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ที่เข้าถึงรูปเมื่อดำรงอยู่ก็มีรูปเป็นอารมณ์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 การถึงอคติสี่คือความลำเอียง 1. ฉันทากติลำเอียงเพราะชอบ 2. โทสาคติลำเอียงเพราะชัง 3. มโมหาคติลำเอียงเพราะหลง 4. พยาคติลำเอียงเพราะกลัวเหตุเกิดขึ้นแห่งตัณหาสี่ 1. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุ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 และรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วปฏิปทาสี่อีกในหนึ่ง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 คืออนัพพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา 2. ธรรมบทคืออัพยาบาทความไม่คิดร้าย 3. ธรรมบทคือสัมมาสติความระลึกชอบ 4. ธรรมบทคือสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบการสมาทาน4คือการถือปฏิบัติธรรม 1. การสมานธรรมที ENNIS, all in all in ่มีท <hatten> ุกขในปัจจุบันและมีทุกขเป็นวิบากในอนาคต 2. การสมานธรรมที่ม <fast> ีท <t ZY ort> ุก์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 3. การสมานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคต ธรรมขันธ์สหนึ่งศีลขันธ์กองศีลสองสมาธิขันธ์กองสมาธิ 3. ปัญญาขันธ์กองปัญญา 4. วิมุตติขันธ์กองวิมุตติภละสหนึ่งวิริยะภละกำลังคือวิริยะ 2. สติพละกำลังคือสติ สมสมาธิพละกำลังคือสมาธิ 4. ปัญญาพละกำลังคือปัญญาอธิษฐานธรรมสธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ 1. ปัญญาทิฏฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือปัญญา 2. สัจจทิฏฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือสัจจสามจารคทิฏฐาน ธรรมะที่กวนตั้งไว้ในใจคือจาระคะ4อุปัสมาทิฐานธรรมะที่กวนตั้งไว้ในใจคืออุปัสมาปัญหาพยากรณ์ส 1. เอกังสพยาการณียปัญหาปัญหาที่ควรตอบโดยในเดียว 2. ปฏิปุชาพยาการณียปัญหาปัญหาที่ควนตอบโดยย้อนถาม 3. วิพัตชพยากรณียปัญหาปัญหาที่ควรแยกตอบ 4. ถทัปนียปัญหาปัญหาที่กวรงดตอบกรรมสี่หนึ่งกรรมดำมีวิบากดำ 2. กรรมขาวมีวิบากขาว 3. กรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาว 4. กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมสัจจิการณียธรรมสี่ธรรมะที่ควรทําให้แจ้ง 1. ปุเพนิวาสควรทําให้แจ้งด้วยสติ 2. การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายควรทําให้แจ้งด้วยจักสุกสวิโมก8ควรทําให้แจ้งด้วยกาย 4. ความสิ้นอสวรรษ์ทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาโอคะ 4. โอคะคือห่วงน้ำา 1. กามโมคะโอคะคือกาม 2. พระโวคะโอค ะ, ะคือพบ 3. ทิฏโขคโอคะคือทิฏฐิ 4. อวิชโขคโอคะคคืออวิชชา โยคะสโยคะคือสภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพบ 1. กามโยคะโยคะคือกาม 2. ภาวะโยคะโยคะคือภพบ 3. ทิฏฐิโยคะโยคะคือทิฏฐิ 4. อวิชยาโยคะโยคะคืออวิชชาวิสังโยคะ4ความราก 1. การมโยวิสังโยคะความรากจากการมโยคะ 2. ภวะโยคะวิสังโยคะความรากจากภาวะโยคะ 3. ทิฏฐิโยคะวิสังโยคะความรากจากทิฏฐิโยคะ 4. อวิชยาโยคะวิสังโยคะความรากจากอวิชยาโยคะคันถะ4คันทะคือเครื่องร้อยรัต หอภิชากายคันทะกายคันทะคืออภิชา 2. พยาปาทกายคันทะกายคันทะคือพยาบาท 3. ศิลปะตปรามาศกายคันทะกายคันทะคือศิลปะตปรามาศ 4. อีทางสัจจานพินิเวสกายคันทะกายคันทะคือความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง อุปาทานสความถือมั่น 1. กามุ ป, ปาทานความถือมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทานความถือมั่นในทิฏฐิ 3. ศิลปะตุ ป, ปาทานความถือมั่นในศีลรส 4. อัตวาทุปาทานความถือมั่นในวาทะว่ามีอัตตาโยนิหรือกำเนิดสี่หอันตเชโยนิ กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่สชลาพุชะโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในคันภามสังเสรชะโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเท่าใคร 4. ี่อบปติกะโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นการก้าวลงสู่คันสี่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 สัตว์บางชนิดในโลกนี 9, ra, no la la ้ร wow. bueno. ู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่คันของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในคันของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากคันของมารดาสี่สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่คันของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในคันของมารดาและรู้สึกตัวขณะคลอดจากคันของมารดาการได้อัตภาพสี่ S 1。การได้อัตภาพที่สัญญาเจตนาของตนดำเนินไปมีใช่สัญญาเจตนาของผู้อื่นดำเนินไป 2. การได้อัตภาพที่สัญญาเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปมีใช่สัญญาเจตนาของตนดำเนินไป 3. การได้อัตภาพที่สัญญาเจตนาของตนและสัญญาเจตนาของผู้อื่นดำเนินไป 4. การได้อัตภาพที่ไม่ใช่สัญญาเจตนาของตนและมิใช่สัญญะเจตนาของผู้อื่นดําเนินไปทักษิา น, นาวิสุทธิ์สความบริสุทธิ์แห่งทักษินาหนึ่ทักษินาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับ 2. ทักษินาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3. ทักษินาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก 4. ทักษินาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกคือผู้ให้และฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับสังหาวัตถุ 4. ธรรมะเครื่องยึดเหนียว 1. ทานการให้ 2. อปะยะวัชวาจาเป็นที่รัก 3. อัตจริยา การประพฤติประโยชน์ 4. สมานัตตาการวางตนสม่ำเสมออนารยโวหารสีวิธีการพูดของผู้ไม่ใช่อริยะ 1. มุสาวาจพูดเท็จ 2. ปิสุณวาจาพูดส่อเสียด 3. พรุสวาจาพูดคำหยาบ 4. สัมภปลาปะ พูดเพอเจอร์อริยะโวหารสวิธีการพูดของผู้เป็นอริยะ 1. มุสาวาทาเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 2. อปิสุนายะวาจายะเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด 3. าพรุสายะวาจายะเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบ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 การกล่าวสิ่งที่เห็นว่าไม่ได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบการกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้อริยโวหารสีอีกในหนึ่งคือคาพูดของผู้เป็นอริยการกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบการกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้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 ไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาผู้ไม่ทาตนให้เดือดร้อนไม่ทาผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจสวยสุขมีตนอันประเสริฐอยู่ในปัจจุบันเทียวบุคคลสี่อีกในหนึ่ง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 1. ตมโมตมปรายยโนผู้มืดมาและมืดไป 2. ตมโมโชติปรายยโนผู้มืดมาแต่สว่างไป 3. โชติตมะปรายยโนผู้สว่างมาแต่มืดไป 4. โชติโชติปรายยโนผู้สว่างมาและสว่างไปบุคคลสี่อีกในหนึ่งหนึ่ง สมณะอจฉะสมณะผู้ไม่หวั่นไหวสอสมณะปฐุมะสมณะเหมือนดอกปทุม 3. สมณะบุญเทริกะสมณะเหมือนดอกบุญเทริก 4. สมณะเนสุสมณะสุขุมาละสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะท่านผู้มีอายุทั้งหลาย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 เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด5ธรรมะหมวดละห้าประการที่ประผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้วคือขันหได้แก่รู ป, ปรขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขัน กองสัญญาสังขารขันต์กองสังขารและวิญญาณขันต์กองวิญญาณอุปาทานขันต์หขันต์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นได้แก่รูปอุปาทานขันต์อุปทานขันต์คือรูปเวทนูปาทานขันต์อุปทานขันต์คือเวทนาสัญญูปาปทานขันต์อุปทานขันต์คือสัญญา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 และโผทฐพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พ่าใจให้กำนัดคติหคือพบที่สัตว์ไปเกิดได้แก่นิรยกะนรกติรชานโยนิกำเนิดสัตว์ติรชานเปติวิสัยแดนเปรตมนุษยะ มนุษย์และเทวะคือเทวดามัจฉริยะห้าคือความตรณีได้แก่อาวาสมมัจฉริยะความตรณีอาวาสกุละมัจริยะความตรณีตระกูลลาภะมัจฉริยะความตรณีในลาภวันนัมจัริยะความตรณีวันนะและธรรมะมัจฉริยะ ความตรณีธรรมะนิวร5หสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้บรรลุความดีได้แก่กามฉันทะนิวร์นิวรคือความพอใจในกามพยาบาทนิวร์นิวรคือความคิดร้ายทีนมิทะนิวร น, นิวรคือความหดหู่และเสื่องซึมอุทจกักกุกจจกนิวร์นิวรคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจ วิจิกิจชนิวร น, นิวรคือความลังเลสงสัยโอรัมพาคิยสังโยชน้ธรรมะที่มัดสัตว์ไว้กับทุกเบื้องต่ำได้แก่ส ก, กิยาทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิชิช่าความลังเลสงสัยศรริลปตปรามาสความถือมั่นในศรรีลพรษกามชันทะ ความกำหนัดในการมคุณและพยาบาทความคิดร้ายอุทธภากิสังโยชน์หธรรมะที่มัดสัตว์ไว้กับทุกเบื้องสูงได้แก่รูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานอารูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานมานะความถือตัวอุทจะ ความปุ้งซ่านอวิชชาความไม่รู้แจ้งศิกขาบทหได้แก่ปานาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาทานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรม มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็และสุราเมรยคมชัประมาทัฐานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอัภิฐานหาฐานะที่เป็นไปไม่ได้ได้แก่เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีนาศพ จะจงใจปลงชีวิตสัตว์เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีนาศพจะถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีนาศพจะเสพเมถุนธรรมเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีนาศพจะพูดเท็จทั้งที่รู้หละเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีนาศพจะสั่งสมบริโภคกามเหมือนเมื่อเป็นข้ารหั พยาสนะหความวิบัติได้แก่ยาติพยาสนะความวิบัติแห่งญาติโภคะพยาสนะความวิบัติแห่งโภคะโรคะพยาสนะความวิบัติแห่งโรคศีลลพยาสนะความวิบัติแห่งศีลและทิฏฐิพยาสนะความวิบัติแห่งทิฏฐิท่านผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะความวิบัติแห่งญาติเป็นเหตุเพราะความวิบัติแห่งโอคาเป็นเหตุหรือเพราะความวิบัติแห่งโรคเป็นเหตุแต่สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะความวิบัติแห่งศีลเป็นเหตุหรือเพราะความวิบัติแห่งทิฏฐิเป็นเหตุ สัมปทาห้าความถึงพร้อมได้แก่ยาติสัมปทาความถึงพร้อมแห่งญาติโภคะสัมปทาความถึงพร้อมแห่งโภคะอรคยะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรคศีลสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีลและทิติสัมปทาความถึงพร้อมแห่งทิติท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ส, ตสตัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความถึงพร้อมแห่งญาติเป็นเหตุเพราะความถึงพร้อมแห่งโภควะเป็นเหตุหรือเพราะความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโ AST, windows, Legend, anyway. nah> รคเป็นเหตุแต่สัตว์ท like 네ั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นเหตุหรือเพราะความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิเป็นเหตุโทษแห่งศีลวิบัติ ของบุคคลผู้ทุศีลห้าประการ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันชั่วของบุคลลบบคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไป 3. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆ จะเป็นคติยะบริษัทก็ตามรามณรบริษัทก็ตามกหาบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมไม่กล้ากล้าเก้อเขินเข้าไป 4. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตาย 5. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติหลังจะตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก อานิสงส์แห่งศีละสมบัติของบุคคลผู้มีศีล5ประการ 1. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีโพกซัพ์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขจรไป 3. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปยังบริษัทใด จะเป็นกติยะบริษัทก็ตามรามณะบริษัทก็ตามกะหบดีบริษัทก็ตามหรือสมณบริษัทก็ตามย่อมกล้าวกล้าไม่เก้อเขินเข้าไป 4. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงลืมสติตาย 5. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลหลังจะตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ธรรมะสำหรับผู้เป็นโจท5ประการพิกสุผู้เป็นโจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงตั้งธรรมะหประการไว้มั่นในตนแล้วจึงโจดผู้อื่นคือเราจะกล่าวในการอันควรจะไม่กล่าวในการอันไม่ควรเราจะกล่าวถ้อยคำจริงจะไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงเราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจะไม่กล่าวถ้อยคำหยาบ เราจะ ก, กล่าวถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์จากไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์เราจากมีเมตตาจิตกล่าวจากไม่เพ่งโทษกล่าวภิกษุผู้เป็นโจ์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นพึงตั้งธรรมะห้าประการนี้ไว้มั่นในตนแล้วจึงโจ์ผู้อื่นองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรหประการ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 สเป็นผู้ปาราบความเพียรเพื่อลักกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ท้อทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ 5. เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชํำระ ก, กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ สุทธาวาดหที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ได้แก่ 1. อวิหา 2. องตปาา 3. สุทัศสา 4. สุทัศสีและ 5. อาการนิฐาพระอนาคามีหประเภทได้แก่ 1. อันตรดาบริณพายี ผู้ที่จะบริลนิพพานในระหว่างอายุยงังไม่ทันถึงกึ่ง 2. อุปหัดจะบริณิพพายีผู้ที่จะบริลนิพพานต่อเมื่ออายุพ้นกึ่งไปแล้ว 3. อสังขาระบริณิพพายีผู้ที่จะบริลนิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมากสี่สังขาระบริณิพพายีผู้ที่จะบริลนิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก และหอุดทังโสโตอากนิทะคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่ชั้นอากนิถ พ, พกิเลสเครื่องตรึงจิตดุดตะปูห้าประการภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดา ในที่นี้หมายถึงไม่เชื่อว่าพระสรีระของพระพุทธเจ้าประดับด้วยลักษณะมหาบุรุษ32บประการไม่เชื่อว่าพระสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้าสามารถรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันได้ 2. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรม 3. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ 4. เพื่อบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาคือข้อที่จะต้องศึกษาและ5เป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะคือความคิดประทุษร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนปรมจารีทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในสิกขาและภิกษุผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบ มีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนพระมจารีทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจ ต, ตะปูวินิพันธาห้าประการ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 เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูป 4. ฉันอาหารตามความต้องการจนอิ่มเกินไปประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเนกความสุขในการหลับอยู่ 5. ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเท พ, พนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัดคือข้อปฏิบัติและตบะหรือพรหมจรรย์ น, นี้เราจะเป็นเท พ, พเจ้า หรือเทพองใดองหนึ่งจิตของภิกษุทั้งหประการนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการอินรีห้าได้แก่จากขุนสีอินรีคือตาโสตินรีอินสีคือหู คาอินซีอินซีคือจมูกชิวะหินรียอินรียคือลิ้นและกายินรียอินรียคือกายอินรีห้าอีกในหนึ่งได้แก่สุขขินซีอินรียคือความสุขกายทุกขินรียอินรียคือความทุกข์กายโสมนัสสินรียอินรียคือความสุขใจโทมนัสสินรียอินรียคือความทุกข์ใจ และอุเบกขินสีอินสีคืออุเบขาอินสีห้าอีกในหนึ่งได้แก่สัตทินสีอินสีคือสัทธาวิริอินสีอินสีคือวิริยะสตินสีอินสีคือสติสมาทินสีอินสีคือสมาธิและปัญญสีอินสีคือปัญญา ธาตุที่สลัดห้าประการธาตุในที่นี้หมายถึงธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุขั้นพิเศษเป็นสภาวะที่ว่างจากอัตตาคืออัตตาสุญญสภาวะหรือสภาวะที่ปราศจากชีวะ 1. เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรณสิการกรรมทั้งหลายในที่นี้หมายถึงวิธีการที่ท่านผู้ออกจากอสุภะฌานคือเพ่งความไม่งาม แล้วส่งจิตคิดถึงกรรมคุณเพื่อตรวจดูจิตว่าบัดนี้จิตเราแน่วแน่ต่อในคขมะหรือไม่กามวิตกยังเกิดขึ้นอยู่หรือไม่เหมือนคนจับงูพิษเพื่อทดลองดูว่างูมีพิษหรือไม่เมื่อภิกษุในพระธรรมวิไนนี้มนาสิกานกามทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในกามทั้งหลาย แต่เมื่อเธอมานาสิกาเนคข ม, มะจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเนคข ม, มะจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายเธอหลุดพ้นจากอาสวะเธอหลุดพ้นจากความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคนในที่นี้หมายถึงความเร่าร้อนระ ก, กิเลศ หรือความเร่าร้อนเพราะวิบากกรรมที่ก่อความคับแคนให้หรือให้เกิดทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจอันเป็นผลมาจากอาสวะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคนซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรามเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าท่าที่สลัดก ร, รมทั้งหลาย 2.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 นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดวิหิงสา 4. เมื่อภิกษุมนานสิการรูปทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนานสิการอารูปจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอรูป จิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทานานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดรูปทั้งหลายห้า เมื่อภิกษุมณสิการสักกายะในที่นี้หมายถึงวิธีการที่พระอระหันตุกวิปสัสสกะคือผู้บำเพ็ญวิปัสนาล้วนๆผู้เห็นนิพพานด้วยอรหัตตมรรคและอรหัตตผลออกจากสมบัติแล้วส่งจิตไปยังอุปทานขันหคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพื่อจะทดสอบดูว่าความยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเป็นอัตตายัางมีอยู่หรือไม่อันหนึ่งสี่วิธีแรกดังกล่าวมาแล้วเป็นวิธีของท่านผู้เป็นสมถยานิกะคือผู้บำเพ็ญสมถกรรมฐานแต่วิธีที่ห้านี้เป็นวิธีของท่านผู้เป็นวิปัสสนายานิกะคือผู้บำเพ็ญวิปัสสนาล้วนเมื่อภิกษุมณสิการส ก, กายะ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 เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะสักกายะเป็นปัจจัยเธอยอมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดสักกายะเหตุแห่งวิมุตห้าประการ 1. พระศาสดาหรือเพื่อนปรมจารีบางรูป ผูตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมในที่นี้หมายถึงอริยสัจสี่แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัดหมายถึงรู้ความหมายแห่งบาลีนั้นว่าศีลมาในที่นี้สมาธิมาในที่นี้ปัญญามาในที่นี้รู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นในที่นี้หมายถึงรู้บาลีคือพระพุทธพจน์เช่นทรงจาบาลี ที่ให้รู้ความหมายได้อย่างถูกต้องพระศาสดาหราาือเพื่อนปรงมจารีบางรูปพูดตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในพระธรรมวินัย น, นี้เธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนปรงมจารีบางรูปพูดตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัด ร, รู้แจ้งธรรมย่อ<ๆ>มเกิดปราโมทเมื่อ ม, มีปราโมท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 แต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมณสิกการดีทรงจําไวด้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัฏฐ์รู้แจ้งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมณสิกการดีทรงจําไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเมื่อเธอรู้แจ้งอัฏฐ์รู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปรามโมทย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งวิมุตต์ความหลุดพ้นสัญญาที่ควรเจริญเพื่อวิมุตห้5ประการได้แก่อันนีจะสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร อนิเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เทียงแห่งสังขารทุกเขอนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ปหาณสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลายและวิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะเป็นธรรมะละเอียดประนีต ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แลคือธรรมะหมวดละห้าประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้วสังคีติหมวด6ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละหประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้วคืออายตนะภายในหได้แก่จักขวายตนะ อายตนะคือตาโสตายตนะอายตนะคือหูคานายตนะอายตนะคือจมูกชิวหายตนะอายตนะคือลิ้นกายายตนะอายตนะคือกายมนายตนะอายตนะคือใจอายตนะภายนอกหกได้แก่รูปายตนะอายตนะคือรูป สัตทายตนะอายตนะคือเสียงคันทายตนะอายตนะคือกลิ่นรสายตนะอายตนะคือรสโพธพายตนะอายตนะคือโพธพะธรรมายตนะอายตนะคือธรมมารมณ์หมวดวิญญาณหกได้แก่จักขุวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตา โสตะวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหูขานวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกายมโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจหมวดผัสสะหกได้แก่จัคคุสัมผัสความกระทบทางตาโสตะสัมผัสความกระทบทางหู ขณะสัมผัสความกระทบทางจมูกชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้นกายสัมผัสความกระทบทางกายและมโนสัมผัสความกระทบทางใจหมวดเวทนาหได้แก่จักขุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากจักขุสัมผัสโสตสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากโสตสัมผัส คานสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากคานสัมผัสชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากชิวหาสัมผัสกายสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากกายสัมผัสมโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากมโนสัมผัสหมวดสัญญา6ได้แก่รูปสัญญากำหนดหมายรู้รูปสัทธสัญญากำหนดหมายรู้เสียง คันธสัญญากำหนดหมายรู้กลิ่นประสัสสัญญากำหนดหมายรู้รสโพธพสัญญากำหนดหมายรู้โพธพะธรมมสัญญากำหนดหมายรู้ธรรมรมหมวดสัญญาเจตนาหกได้แก่รูปสัญญาเจตนาความจำนงรูปสัทธสัญญาเจตนาความจำนงเสียงคันธสัญญาเจตนาความจำนองกลิ่น รสสัญญาเจตนาความจำนงรสโอทภะสัญญาเจตนาความจำนงโพทภะธ ร, รมมสัญญาเจตนาความจำนงธรรมารมหมวดตัณหาหได้แก่รูปตัณหาความทยานอยากในรูปสัทธตัณหาความทยานอยากในเสียงคันธตัณหาความทยานอยากในกลิ่น รสัตตันหาความทยานอยากในรถโภตภะตันหาความทยานอยากในโภตภะและธรรมะตันหาความทยานอยากได้ธรรมารมม์อคารวะหประการความไม่เคารพภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา สอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเรกรงในพระธรรม 3. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์ 4. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศิกขา 5. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในความไม่ประมาทและ 6. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในปฏิสันฐาน คารวะหความเคารพภิกษุในพระธรรมวิในนี้อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขาในความไม่ประมาทและในปฏิสันฐานโสมนัสสูปวิจารณ์การใคร้ครวนอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสหกประการได้แก่เห็นรูปทางตาแล้ว ใคร่ครวนรูปอันเป็นที่ ok, บบตั้งแห่งโสมนัสฟังเสียงทางหูแล้วใคร้ครวนเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสดมงกลิ่นทางจมูกแล้วใคร้ครวนกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสลิ้มรสทางลิ้นแล้วใคร้ครวนรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสถูกต้องผวดทพะทางกายแล้วใคร้ครวโปทพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสและรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจแล้ว ใคร่ครวธรรมอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตโทมนัตสูปวิจาร์การใคร่ครวนอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตหกประการได้แก่เห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผดผพัดทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใคร่ครวนรูปเสียงกลิ่นรส โหดทพะและธรรมอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสอุเปกูปะวิจารการใคร้ครวนอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาหกประการได้แก่เห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโหดทพะทางกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจใคร้ครวนรูปเสียงกลิ่นรส โพธภะและธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสารนียธรรมหกธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งตั้งมั่นเมตตากายกรรมสองตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมสามตั้งมั่นเมตตามนโนกรรมในเพื่อนปรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ประการที่สบริโภคโดยไม่แยกลาบทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมไม่แบ่งแยกหมายถึงไม่แบ่งแยกบุคคลโดยคิดว่าจะให้แก่คนนั้นไม่ให้แก่คนนี้โดยที่สุดแม้เพียงบินทบาทคืออาหารในบาทบริโภคกับเพื่อนโรมจารีทั้งหลายผู้มีศีลประการที่ห้า มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สัรเสริญที่ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนปรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง6มีอริยทิฏฐิหมายถึงสัมมาทิฏฐิในอริยามรรคอันเป็นธรรมเครื่องนำออกหมายถึงมรรคสีคือตั้งแต่โสดาปติมรรคจนถึงอรหัตมรรค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 เพื่อความสามาัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันวิวาทะมูลมูลแห่งเหตุวิวาสหกประการภิกษุในพระธรรมวิในนี้เป็นผู้มากโกรธผูกโกรธไว้เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอเป็นผู้ริษยามีความตรนีเป็นผู้โอ้อวดมีมายา เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุใดเป็นผู้มากโกรธผูกโกรธไว้เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอเป็นผู้ริษยามีความตรนีเป็นผู้โอ้วดมีมายาเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสลับสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศัสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อวิวาทที่เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแหลถ้าท่านทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติ เพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาสที่เป็นบาปนั้นแหลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาสที่เป็นบาปนั้นยอมมีได้ละมูลเหตุแห่งวิวาสที่เป็นบาปนั้นยอมไม่ยืดเยื้อต่อไปธาตุหกได้แก่ปัทวีธาตุธาตุดินอาโปธ า, าตุธาตุน้าเตโจธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลม อากาศาธาตุธาตุคือที่ว่างวิญญาณาธาตุธาตุคือความรู้อารมณ์าธาตที่สลัดหกหนึ่งหากมีภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตต์แล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นหยุดญาณแล้วทําให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้ว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 เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกสุได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสังสมแล้วปารบดีแล้วแต่พยาบาทก็ยังครอบงำจิตของภิกสุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตต์นี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท เมตตาเจโต ว, วิมุตตในที่นี้หมายถึงเมตตาที่เกิดจากตัติยะฌานและจตุตตะฌานคือฌานที่สามและฌานที่สี่พระพ้นจากปัจจนีกธรรมคือธรรมที่เป็นข้าศึกกล่าวคือนิวรห้าประการได้แก่การมชันทะพยาบาททินามิทะอุทธจักุกุจจะและวิจิกิจชา 2. หากมีภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่า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 แต่วิหิงสาก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะการุณาเจโต ว, วิมุต t นี้เป็นท่าที่สลัดวิหิงสา 3. หากมีภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญมุติตาเจโต ว, วิมุต tn แล้วทําให้มากแล้วแต่อารติคือความไม่ยินดีก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอ อย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญมุติตาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วแต่อรติก็ยังครอบงาจิตของภิกษุนั้นได้ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมุติตาเจโตวิมุตต์นี้เป็นท่าที่สลัดอรติสหากมีภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วแต่ราคะก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธออย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วแต่ราคะก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลย ระอุเบกขาเจโตวิมุต tn ี้เป็นท่าที่สลัดราคะหาหากมีภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอ น, อนิมิตตาเจโตวิมุตแล้วทำให้มากแล้วแต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็ยังแสหานิมิตยอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธออย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลย เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญอ น, อนิมิตตาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วแต่วิญญาณของภิกษุนั้นก็ยังแสหานิมิตยอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอนิมิตตาเจโตวิมุตต์นี้เป็นท่าที่สลัดนิมิตทั้งปวงอนิมิตตาเจโตวิมุตต์หมายถึงพระละวะวิปัสนาวิปัสนาที่มีพลังคืออรหัตตัละสมาบัติที่ชื่อว่าอนิมิต ไม่มีเครื่องหมายเพราะไม่มีราคะนิมิตไม่มีโทสะนิมิตไม่มีโมหะนิมิตไม่มีรูปานิมิตไม่มีนิจานิมิตนิมิตคือความเที่ยงเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งอ น, นิมิตาตาเจตตาวิมุตต์เป็นชื่อของยานสีคือพยาตุปัฏฐานญนยานยานในการเห็นสังขารปรากฏ้วยความเป็นภัยอธีนาวานุปัสนาญาณยานในการพิจารณาอารมณ์ละพิจารณาเห็นโทษ มนจิตตกรรมยตายานยานอย่างรู้อันทำให้ต้องการจะพ้นและพังขยานยานที่พิจารณาเห็นความดับ 6. หากมีภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าปราศจากอสมิมานะและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นนี้แต่ลูกสอนคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงามจิตของข้าพเจ้าอยู่ ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธออย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุปราศจากอสมิมาณะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นนี้แต่ลูกสรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ได้ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสภาวะทีถอนอสมิมาณะนี้ เป็นธาตุที่สลัดลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยสภาวะที่ถอนอสมิมาณะในที่นี้หมายถึงอรหัตมรรมที่เรียกว่าสภาวะที่ถอนอสมิมานะเพราะเมื่อเห็นนิพพานด้วยอํานาจผลที่เกิดจากอารหัตธรรอสมิมาณะจึงไม่มีอนุตริยหกได้แก่ ทัศนานุตต ا ิ ي ะการเห็นอันยอดเยี่ยมสวนานุตตริยะการฟังอันยอดเยี่ยมลาพานุตต ا ิยะการได้อันยอดเยี่ยมสิกานุตตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยมปาริจริยานุตตริยะการบำรุง <generated> อ <Hot els> ันยอดเยี่ยมและอนุสตานุตตริยะการระลึกอันยอดเยี่ยม อนุสติฐานหได้แก่พุทธานุสติการระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรรมสังขานุสติการระลึกถึงพระสง์ศีลานุสติการระลึกถึงศีลจาคานุสติการระลึกถึงการบริจาคและเทวตานุสติการระลึกถึงเทวดา อนุสติฐานแปลว่าฐานคืออนุสติหมายถึงเหตุคืออนุสติได้แก่ฌานสามอนุสติที่เรียกว่าฐานเพราะเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์เกื้อกูลและความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าเช่นพุทธานุสติย่อมเป็นเหตุให้บรรลุคุณวิเศษเพราะเมื่อบุคคลระลึกถึงพุทธกุลอยู่ปีติคือความอิ่มใจย่อมเกิด จากนั้นจึงพิจารณาปีติให้เห็นความสิ้นไปเสื่อมไปจนได้บรรลุอรหัตผลอนุสติฐานนี้จัดเป็นอุปจาระกรรมฐานแม้เขาฤหัตก็สามารถบำเพ็ญได้สัตตตวิหารธรรมธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นนิจของพระขีณาสพหกประการคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผดพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปะชัญญะอยู่อภิชาตห6อภิชาติในที่นี้หมายถึงการกําหนดหมายชนเป็นชั้นเป็นกลุ่มเช่นหมู่คนที่ประพฤติอย่างนี้อย่างนี้ กำหนดเรียกอย่างนี้อย่างนี้หรือหมายถึงชาติกำเนิดได้แก่บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาพีชาติเกิดในตระพูลต่าประพฤติธรรมดำเป็นกันหาพี่ชาติประพฤติกรรมขาวเป็นกันหาพี่ชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นสุกกาพี่ชาติเกิดในตระปูลสูงประพฤติธรรมดำ เป็นสุกกาพิชาติประพฤติธรรมขาวเป็นสุกกาพิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวนิพเพทภพาคิยาสัญญากำหนดหมายในยานอันเป็นส่วนจำแรกอิเลสหประการได้แก่อา น, นิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารอ น, นิจเจทุก ข, ขสัญญา กำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทุกเขออนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ปหาณาสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลลวิตกและบาปธรรมทั้งหลายวิราคาสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมะละเอียดประนีตและนิโรธสัญญากำหนดหมายว่านิโรธเป็นธรรมะละเอียดประณีต ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือธรรมะหมวดละหกประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังขยาาไม่พึงวิวาดกันในธรรมะนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สังคีติหมวดเจ็ดท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละเจ็ดประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้วคืออริยทรัพย์เจ็ดประการได้แก่ศรัทธาธนะทรัพย์คือศรัทธาศีลธนะทรัพย์คือศีลหิริธนะทรัพย์คือหิริโอตตปะธนะทรัพย์คือโอตตปะสุตตทนัทรัพย์คือสุตต การฟังจากคัทนาซั์คือจากพระการบริจาคปัญญาธนาซั์คือปัญญาโพชงเจ็ได้แก่สติสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ธรรมะวิจยะสัมโพชงการเป็นธรรมวิริยะสัมโพชงความเพียรบิติสัมโพชงความอิ่มใจ ปัตสธิสัมโพชงความสงบกายสงบใจสมาธิสัมโพชงความตั้งจิตมั่นอุเบกขาสัมโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางธรรมะที่เป็นบริขารแห่งสมาธิเจบริขารแห่งสมาธิหมายถึงองค์ประกอบแห่งมัคคะสมาธิได้แก่สมาทิฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมา ก, มก ร, รรมตักกระทาชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบและสัมมาสติการระลึกชอบอสัตธรรมเจ็ประการได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่ง เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ไม่มีฮิริ 3. เป็นผู้ไม่มีอตับปัก 4. เป็นผู้มีสุตตะน้อย 5. เป็นผู้เกียจคร้าน 6. เป็นผู้มีสติหลงลืมและเเป็นผู้มีปัญญาสามสัทธธรรมเจ็ประการได้แก่ภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา เป็นผู้มีหิริเป็นผู้มีโอตับปะเป็นพหูสูตรเป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นผู้มีสติมั่นคงเป็นผู้มีปัญญาสัพปริสธรรมเจ็ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นธรรมัญญะผู้รู้จักเหตุผลเป็นอัตถัญญะผู้รู้จักผลเป็นอัตตัญญะผู้รู้จักตนเป็นมัตตัญญะ ผู้รู้จักประมาณเป็นกาลัญญะผู้รู้จักการเวลาเป็นปริสัญญะผู้รู้จักชุมชนและเป็นปุขลัญญะผู้รู้จักบุคคลนิทศวัตถุเจคือเหตุให้ได้ชื่อว่าผู้มีอายุไม่ถึงสิบปีนิทศวัตถุแปลว่าธรรมะที่เป็นเหตุให้ชื่อว่านิทศ ซึ่งแปลว่ามีอายุไม่ถึงสิบปีคำนี้เป็นคำที่พวกเลระถีใช้เรียกนิครนผู้ประพฤติรมจันย์กำหนดส2บสองปีถ้าตายลงเมื่อถึงสิบปีเรียกผู้นั้นว่านิทศศัคือเมื่อมาเกิดอีกจะมีอายุไม่ถึงสิบปีและอาจไม่ถึงเก้าปีถึงหนึ่งปีแต่พระผู้มีพระภาคทรงใช้คำนี้หมายถึงพระขี่นาศพในความหมายว่า ไม่มีการเกิดอีกไม่ว่าจะเกิดมาเพียงวันเดียวหรือครู่เดียวโดยมีเงื่อนไขว่าผู้นั้นต้องเพียบพร้อมด้วยธรรมะเจ็ดประการส่วนเวลาประพฤติปรมจันท ร, ร์ ม, มากน้อยไม่สำคัญนิทตะวัตถุ7ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เป็นผู้มีชันทะอย่างแรงกล้าในการสมทานสิกขา ในที่นี้หมายถึงการบำเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์และถูกต้องและไม่ปราศจากความรักในการสมทานสิกขาต่อไปในที่นี้หมายถึงการเวลาแห่งการบำเพ็ญที่เนื่องกันไม่ขาดระยะมิได้หมายถึงพบในอนาคต 2. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการใครครวนธรรมะและไม่ปราศจากความรักในการไครครวนธรรมะต่อไป การใคร่ครวนธรรมหรือธรรมะแปลจากบาลีว่าธรรมะนิสันติหมายถึงการเพ่งพินิษ์พิจารณาเห็นธรรมะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคําว่าธรรมะนิสันติเป็นชื่อของวิปัสสนา 3. เป็นผู้มีสันทะอย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยากและไม่ปราศจากความรักในการกาจัดความอยากต่อไป การกำจัดความอยากหมายถึงการกำจัดหรือข่มตัญหาได้ด้วยอำนาจพังคานุปัสนาญาณญาณที่พิจารณาเห็นความดับหรือด้วยอำนาจวิปัสนาญาณมีวิราคานุปัสนาเป็นต้น 4. เป็นผู้มีสันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเล่นและไม่ปราศจากความรักในการหลีกเลนต่อไป 5. เป็นผู้มีชันทะอย่างแรงกล้าในการปารบความเพียรและไม่ปราศจากความรักในการปราบความเพียรต่อไป 6. เป็นผู้มีชันท h อย่างแรงกล้าในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนและไม่ปราศจากความรักในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนต่อไปสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนในที่นี้หมายถึงสติและเนปักกัปปัญญากล่าวคือสติและสัมปชัญญะ ข้อสุดท้าย7เป็นผู้มีสันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิและไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไปการแทงตลอดด้วยทิฏฐิแปลจากบาลี ว, ว่าทิฏฐิปฏิเวทหมายถึงมัคทัศนาะการเห็นด้วยมัค ก, กล่าวคือการเห็นแจ้งด้วยมัคคัสมมาทิฏฐิสัญญาเจได้แก่ อันนี้จะสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารอนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมะทั้งปวงอสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกายอาธินาวสัญญากำหนดหมายโทษทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆปหาณะสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตตกและบาปธรรมทั้งหลาย วิราคาสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมะละเอียดปราณีตและนิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมะละเอียดปราณีตภละเจได้แก่สัทธาภละกำลังคือสัทธาวิริยะภะละกำลังคือวิรยิยะหิริภละกำลังคือหิริโอตต ป, ปะภละกำลังคือโอตต ป, ปะ สติพละกำลังคือสติสมาธิพละกำลังคือสมาธิและปัญญาพละกำลังคือปัญญาวิญญาณทิฏฐิเจ็ 7, ภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณได้แก่หนึ่งมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวก นี้เป็นวิญญาณทิติที่หนึ่งข้อนี้หมายถึงเทพในสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมหกคือชั้นจาตุมหาราชดดวดึงยามาดุสิตนิมานารดีและประณิมิตาสาวตีวินิปติกะบางพวกหมายถึงพวกเวมานิกาเปรตที่พ้นจากอบายภูมิสีเช่นยักษิ น, นีผู้เป็นมารดาของอุตระยักษิ น, นีผู้เป็นมารดาของปิงยังกระ ร่างกายของเปรตเหล่านี้แตกต่างกันคือมีทั้งอ้วนผอมเตี้ยสูงมีผิวขาวผิวดำผิวสีทองและสีนินมีลักษณะมีสัญญาต่างกันด้วยติเหตุ ก, กะทุเหตุ ก, กะและอเหตุกะเหมือนของมนุษย์เวมานิกเปรตเหล่านี้ไม่มีศัก์มากเหมือนพวกเทพบางพวกได้รับทุกในข้างแรมได้รับสุขในข้างขึ้นแต่เวมานิกเปรต ที่เป็นติเหตุกะสามารถบรรลุธรรมได้เช่นการบรรลุธรรมของยักษินีผู้เป็นมารดาของปียังก ร, รักเป็นต้น 2. มีสัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นพรหมกายิกาเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมนี้เป็นวิญญาณทิติที่สองสำหรับเทพชั้นพรหมกายิกา มายถึงพรมชั้นปฐมชาญภูมิสามชั้นคือพรมมปาริสัจชาพวกบริษัทบริวารมหาพรมพรมมปรโรหิตตาพวกปัวโรหิตมหาพรมและมหาพรมมาพวกเท้ามหาพรม 3. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอภิสระนี้เป็นวิญญาณทิติที่สาม 4มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุปกินหะเทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นวิญญาณทิติที่ส 5. มีสัตว์ทั้งหลายบรรลุอากาศสานัญจายตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กาหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่ห้าสำหรับอาการสาร น, นจายตนะฌานหมายถึงฌานที่กำหนดอากาศคือช่องว่างอันหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นขั้นที่หนึ่งของอรูปฌานสี่หกมีสัตว์ทั้งหลายล่วงอากาสานรนจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณ น, นจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่6 วิญญาณัญจายตนะฌานหมายถึงฌานที่กำหนดวิญญาณอันหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์เป็นขั้นที่สองของอรูปฌานสี่เมีสัตว์ทั้งหลายล่วง ว, งวิญญาณนัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นวิญญาณที่ฐิที่เจอากินจัญญายตนะฌาน หมายถึงฌานที่กำหนดภาวะอันไม่มีอะไรคือความว่างเป็นอารมณ์ฌานนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัญญคะคือที่สุดแห่งสัญญาเพราะเป็นภาวะสุดท้ายของการมีสัญญากล่าวคือผู้บรรลุอากิญจัญญายตนะฌานแล้วฉันต่อไปจะเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานบ้างเข้าถึงสัญญาเวท้าตะนิโรธบ้าง ทักษิเนยักบุคคลเจ็บุคคลผู้ควรแก่ทักษินาได้แก่อุปโตภาคาวิมุตต์ผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนปัญญาวิมุตต์ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญากายสักขีผู้เป็นพญานในนามกายด้วยกายคิตติ ป, ปัตตะผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิสัทธาวิมุตต์ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาธรรมานุสารีผู้แล่นไปตามธรรม ศรัทธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัทธาอนุสัยเจ็กิเลสที่นอนเนื่องในสันดานได้แก่กามราคานุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกามปฏิฆานุสัยอนุสัยคือความยินร้ายทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิดวิจิกิจานุสัยอนุสัยคือความลังเลสงสัย มานานุสัยอนุสัยคือความถือตัวภวะราคานุสัยอนุสัยคือความติดใจในภพและอวิชานุสัยอนุสัยคือความไม่รู้แจ้งสังโยชน์เจกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพได้แก่อนุนยยสังโยชน์สังโยชน์คือความยินดีปฏิฆะสังโยชน์สังโยชน์คือความยินร้าย ทิดิสังโยชน์สังโยชน์คือความเห็นผิดวิจิกิจชาสังโยชน์สังโยชน์คือความลังเลสงสัยมานะสังโยชน์สังโยชน์คือความถือตัวภวราคะสังโยชน์สังโยชน์คือความติดใจในภพอวิชชาสังโยชน์สังโยชน์คือความไม่รู้แจ้งอธิการณะสมถะธรรมธรรมะเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์เจประการ ธิกรหมายถึงเรื่องที่สง์ต้องดำเนินการมี4อย่างคือ 1. วิวาท ธ, ธิกรการตกเถียงกันเกี่ยวกับพระธรรมวินัย 2. อนุวาทธาธิกรการโจท์หรือกล่าวหากันด้วยอาบัติ 3. อาปัตตาธิกรการต้องอาบัตการปรับอาบัตและการแก้ไขตัวเองให้พ้นจากอาบัตและ 4. กิจจาธิกร กิจธุระต่างๆที่สงฆ์จะต้องทาเช่นการให้อุปสมบทการให้ผ้ากถินเป็นต้นอธิกรณะสมถะธรรมะเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์ได้แก่ 1. สงฆ์พึงให้สัมุขาวินยัยข้อนี้คือวิธีระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้าคือต้องพร้อมทั้งสี่พร้อมคือพร้อมหน้าสงฆ์ได้แก่ภิกษุเข้าร่วม ประชุมครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แต่ละกรณีพร้อมนาบุคคลได้แก่คู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นอยู่ด้วยพร้อมหน้าพร้อมหน้าวัตถุได้แก่ยกเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมาวินิจฉัยและพร้อมหน้าธรรมะได้แก่วินิจฉัยถูกต้องตามธรรมะวินยัยสงสงพึงให้สติวินยัย หมายถึงวิธีระงับอธิกรณ์โดยประกาศให้ทราบว่าพระอรหันต์เป็นพระอริยะผู้มีสติสมบูรณ์เป็นวิธีระงับโดยเอาสติเป็นหลักในกรณีที่มีผู้โจทย์พระอรหันต์เป็นการบอกให้รู้ว่าใครจะโจทย์พระอรหันต์ไม่ได้สามสงพึงให้อมูละหะวิยัยหมายถึงวิธีระงับอธิกรณ์โดยยกประโยชน์ให้แก่ภิกษุที่หายเป็นบ้าแล้วในกรณีที่มีผู้โจทย์ภิกษุ ด้วยอาบัตที่ต้องในขณะเป็นบ้าสงจะสวดประกาศสมมุติเพื่อมีให้ใครๆโจทย์เธอด้วยอาบัตส 4. สงพึงให้ปฏิญญาตักการะหมายถึงวิธีระงับอธิกรณ์โดยปรับอาบัตตามคำรับสารภาพของภิกษุผู้ต้องอาบัต 5. สงพึงให้เยปุยสิกาหมายถึงวิธีระงับอธิกรณ์โดยตัดสินตามเสียงข้างมาก สงจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่บุคคลหลายฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกัน 6. สงพึงให้ตัดสาปาปิยาสิกาหมายถึงวิธีระงับอธิกรณ์โดยตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดเมื่อสงพิจารณาตามหลักฐานพยานแล้วเห็นว่ามีความผิดจริงแม้เธอจะไม่รับสารภาพก็ตาม 7. สงด์งพึงให้ตินวัฏฐารกัก หมายถึงวิธีระ ง, งับอธิกรณ์โดยให้ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกันเปรียบเหมือนเอายากลบไว้ไม่ต้องชำระสะสารความวิธีนี้จะใช้ระ ง, งับอธิกรณ์ที่ยุ่งยากเช่นกรณีพิพาทกันของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีสังคีติหมวด8ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมะหมวดละแปดประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้วคือมิจฉาตัความเป็นธรรมะที่ผิดแปดประการได้แก่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาสังกับปะความดำริผิดมิจฉาวาจาเจรจาผิดมิจฉากัมมันต์ตักระทําผิดมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดมิจฉาวายามะ พยายามผิดมิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดสัมมันตะแปดความเป็นธรรมะที่ถูกได้แก่สมัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสมัมมาสังกัปปะความดำริชอบสมัมมาวาจาเจรจาชอบสมัมมากัมมันตะกระทําชอบสมัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบทักคิเนยะบุคคล8บุคคลผู้ควรแก่ทักษินาได้แก่พระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลพระสกทาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหั ต, ตผลกุศีตวตถุแปดเหตุแห่งความเกียจคร้าหนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทำ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทํางานเมื่อเราทํางานอยู่กายจากเมื่อยลา้าอยากกระ น, นั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งนี้เป็นกุศีิ์ตวัตถุประการที่หนึ่งสงภิกษุทํางานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานอยู่กายเมื่อยล้าแล้วอย่ากระ น, นั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ประรบความเพียร น, นี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่สองสภิกษุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางอยู่กายจากเมื่อยล้าอย่ากระ น, นั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสีย ไม่ปรารบความเพียร น, นี้เป็นกุศตวัตถุประการที่สามสภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเราเดินทางอยู่กายเมื่อยล้าแล้วอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียร น, นี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่สี่ห้า ภิกษุเที่ยวบินธบาติตามหมู่บ้า น, นหรื อ, อนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินธบาติตามหมู่บ้า น, นหรื อ, อนิคมก็ไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเรานั้นเมื่อล้าแล้วไม่กวรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึองนอนเสียไม่ปราลพความเพียร นี่เป็นกุศลีตวัตถุประการที่ห้าหภิกษุเที่ยวบินทบาติตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้ามองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินธบาติตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้ามองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงตามต้องการแล้วกายของเรานนหนักหนักไม่ควรแก่การงานจะเหมือนถั่วราชมาศชุ่มด้วยน้ำ อย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียร น, นี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่ห 7. เจ็ดภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วมีข้ออ้างที่จะนอนได้อย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารกความเพียร น, นี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่เจ็ แต่ภิกษุหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานกายของเรายังอ่อนแอไม่ควรแก่การงานอยากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตะวะถุประการที่แปด อรัมพาะวัตถุ8ปเหตุแห่งการปรารบความเพียรหนึ 1. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานเมื่อเราทำงานการจะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่ทำได้ง่ายอยา่าะนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงพารกความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทาให้แจ้งนี้เป็นอรรมภวัตถุประการที่หนึ่งสทีภิกษุทางานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานอยู่ก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่าะนั้นเลย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 อย่ากระ น, นั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทาให้แจ้งเธอจึงปรารบความเพียร น, นี้เป็นอารัมพวัตถุประการที่ส 4. มภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเราเดินทางอยู่ก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้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 เราเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือปราหนีดปริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบรารบความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงเริ่มปรารบความเพียร น, นี่เป็นอรัมภวัตถุประการที่ห้า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 หมายถึงเมื่อพบว่าเขามาหาให้รอสักครู่ก็สามารถให้ทานได้ไม่รู้สึกหนักใจที่จะถวายทาน 2. ให้ทานเพราะกลัวหมายถึงให้ทานเพราะกลัวตําหนิตีเตียนหรือกลัวอบายภูมิ 3. ให้ทานเพราะคิดว่าเขาได้ให้แก่เราแล้ว 4. ให้ทานเพราะคิดว่าเขาจับให้แก่เรา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 แให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิตในที่นี้หมายถึงให้ทานเครื่องประดับจิตในการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเพราะทานทําจิตใจให้อ่อนโยนเหมาะแก่การเจริญกรรมฐานทั้งสองทานุปปติ8ผลที่เกิดจากการให้ทาน 1.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 หลังจากตายแล้วเราพึงเกิดร่วมกับพวกกัตยยะมหาสาลปรามหาศารหรือกหาบดีมหาศาลเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขานั้นน้อมไปในทางต่ำจเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นหมายถึงเกิดในสถานที่ที่ตนปรารถนาไว้ขณะทาบุญข้อนั้นแหละเรากล่าวไวสาหรับผู้มีศีล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 เขาได้สดับมาว่าพวกเทพชั้นจาตุมหาราชมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดร่วมกับพวกเทพชั้นจ่าตุมหาราชเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขานั้นน้อมไปในทางต่ำเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ยอมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแหละ เรากล่าวไว้สําหรับผู้มีศีลไม่ใช่สําหรับผู้ทุศีลท่านผู้มีอายุทั้งหลายมโนปณิธานของท่านผู้มีศีลย่อมสําเร็จได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์สําหรับเนื้อความข้อส4มสี่ห้าหเ็ดแเนื้อความเหมือนกับข้อที่ผ่านมาทั้งหมดเพียงแต่เปลี่ยนจากพวกเทพชั้นจตุมหาราชเป็นเทพชั้นดาวดึงเทพชั้นยามาเทพชั้นดุสิต เทพชั้นนิมานราดีเทพชั้นประณมิตรสาวตีจนถึงข้อสุดท้ายพวกเทพชั้นโภมกายิกาบริษัทแปได้แก่คติยาบริษัทชุมนุมกษัตริย์รามณะบริษัทชุมนุมพร า, มรมมรามหมณข้าบดีบริษัทชุมนุมขหาบดีสมณะบริษัทชุมนุมสมณะจตุมหาราชบริษัท ชุมนุมเทพชั้นจัตุมหาราชดาวดึงสบริษัทชุมนุมเทพชั้นดาวดึงมารบริษัทชุมนุมเทพชั้นนิมมารณรดีพร ม, มบริษัทชุมนุมพรมโลกธรรมแปดได้แก่ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขและทุกข อภิพายตนะแปดอายตนะที่ยอดเยี่ยมด้วยกําลังฌานอาภิพายตนะหมายถึงเหตุครอบงำเหตุที่มีอิทธิพลได้แก่ฌานหรือฌานที่เป็นเหตุครอบงมนิวรณ์ห้าและอารมณ์ทั้งหลายคําว่าอาภิพายตนะมาจากคําว่าอาภิภูบวกอภายตนะที่ชื่อว่าอภิภูเพราะครอบงามอารมณ์และชื่อว่าอายตนะ เพราะเป็นที่เกิดความสุขอันวิเศษแกบระโยคีทั้งหลายแต่ในที่นี้หมายถึงมานายตนะและธรรมายตนะอภิพายตนะ8ได้แก่ 1. บุคคลหนึ่งมีรู ป, ปรสัญญาภายในหมายถึงมีความหมายรู้รูปภายในโดยการบริกรรมรูปภายในบุคคลหนึ่งมีรู ป, ปรสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็ก มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพยตนะประการที่หนึ่งสบุคคลหนึ่งมีรูปประสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพยตนะประการที่สอง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 มีอรูปปรสสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สี่หบุคคลหนึ่งมีอรูปปสสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงมรูปเหล่านั้นได้ มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่ห้าหบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่หกเจ บุคคลหนึ่งมีอรู ป, ปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่สีแดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่7 8. บุคคลหนึ่งมีอรู ป, ปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้ม รอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิภยยตนะประการที่8วิโมก8วิโมกแปลว่าความหลุดพ้นหมายถึงภาวะที่จิตหลุดพ้นจากสิ่งรบกวนและน้อมดิ่งไปในอารมณ์นั้นได้แก่ 1. บุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกประการที่หนึ่ง มีรูปในที่นี้หมายถึงได้รูปประชานที่เกิดจากการทำบริกรรมในรูปภายในตนเช่นทำบริกรรมผมเหงือเนื้อเลือดกระดูกฟันเล็บโดยวิธีการบริกรรมเป็นสีต่างๆมีสีเขียวเหลืองแดงเป็นต้น 2. บุคคลผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกประการที่สอง 3. บุคคลเป็นผู้น้อมใจไปว่างงามนี้เป็นวิโมกประการที่สามสบุคคลบรรลุอากาศสานัญจายตนะชาญโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะลวงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนา น, นัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกประการที่สี้าบุคคลล่วงอากาศสานัญจายตนะชาญโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่ห 6. บุคคลล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่6 7. บุคคลล่วงอากินัญญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญาาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่เจ็ดบุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทะอิตะนิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่แปสังคีติหมวด9ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมะหมวดละ9าประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้วคืออาคาตวัตถุเหตุผูกอาคาดได้แก่บุคคลย่อมผูกอาคาดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่่่่่เเเปปป็็นนนนนรรระโยชช์แกกคผผูู้้้้ททททีีีีัอออบพขงงาไดสิ่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา ผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราอาคาตปฏิวิญญาต์กอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาคาตบุคคลย่อมกำจัดอาคาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา การทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนผู้นี้จับทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา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 สมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นอภัสระนี้เป็นสัตตาวาที่ส 4. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุปกินหะเทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นสัตตาวาที่ส 5. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีสัญญาไม่สวยอารมณ์คือพวกเทพชั้นอสัญญีสัตตพรม นี้เป็นสัตวว่าที่ห 6. มีสัตว์ทั้งหลายผู้บรรลุอาการสานัญจายตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะลวงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กําหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นสัตตาว่าที่6 7. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ลวงอาการสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกําหนดว่า วิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นสัตตาว่าที่เจ็มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงวิญญาณัญญายตนะฌานโดยประการทั้ง AR ปวงบรรลุอากินัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นสัตว์ตาว่าที่8 9. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากินัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้เป็นสัตว์ตาว่าที่เก้า การคือเวลาที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพติพรมจันท ร, ร์9้าประการได้แก่ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้แล้วและทรงแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศไว้แล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงนรก นี้เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่หนึ่งสงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้แล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงกาเนิดสัติรัตฐานนี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สองสบุคคล น, นี้เป็นผู้เข้าถึงเปรดวิสัย 4. บุคคล น, นี้เป็นผู้เข้าถึงอสูรกาย 5. บุคคล น, นี้เป็นผู้เข้าถึงเท พ, พนิกายที่มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่ง 6. บุคคล น, นี้เป็นผู้กลับไปเกิดในปัจจันตะชนบทอยู่ในพวกมิลักขะผู้มีรู้เดียงสาที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผ่านไปผ่านมา 7. บุคคล น, นี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณอบปฏิกสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองเล่าสอนผู้อื่นให้รู้ก็ไม่มีในโลก 8. บุคคล น, นี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมัชิมะชนบทเป็นคนมีปัญญาซามโง่เขลาเป็นคนเซไม่สามารถจะรู้เนื้อความแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตได้บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หละข้อสุดท้ายประการที่9ปพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลก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 อนุอุปภะวิหารธรรม9้าธรรมะเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับภิกษุในพระธรรมวิเนยนี้หนึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เพราะวิตกวิจารสงบรงะงับไปบรรลุทุติยฌานคือฌานที่สองมีความผ่องใสในภายใน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 เพราะละสุขและทุกข์เพราะโสมนัสและโทมานัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์และสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ 5. บรรลุอากาศานัญญาตนะฌานาโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะลวงรูปสัญญาดับปติฆาสัญญาไม่กำหนดนา น, นัสสัญญาโดยประการทั้งปวง 6.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 ล่วงเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทายตะนิโรธอยู่อนุปุพพานิโรธ9ความดับไปตามลำดับได้แก่ 1. กามสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานดับไป 2. วิตกวิจารณ์ของผู้เข้าทุติยฌานดับไป 3.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 ของผู้เข้าอากินจัญญายตนะฌานดับไป 8. อากินจัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานดับไป 9. สัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทะยิตานิโรธดับไปสัญญาเวทะยิตานิโรธหมายถึงสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนามีสองอย่างคือสัญญาสมาบัติ และนิโรธาสมาบัติที่เป็นอสัญญาสมาบัติมีแก่ปุถุชนที่เป็นนิโรธาสมาบัติมีเฉพาะแต่พระอนาคามีและพระอระหันต์ผู้ชำนาญในสมาบัติ8แล้วเท่านั้นจึงจะเข้าได้สังคีติหมวดสิบ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสิบประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้วคือนาถกรณธรรมสิบธรรมะเครื่องกระทมที่พึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาและโกจรการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย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 หมายถึงรู้แจ้งธรรมะโดยผลและเหตุด้วยปัญญา 3. เป็นผู้มีมิตรดีหมายถึงมิตรที่มีคุณธรรมคือศีลเป็นต้นมีสหายดีหมายถึงเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเพื่อนดีหมายถึงเพื่อนที่รักใคร่สนิทสนมรู้ใจกันซื่อสัตย์ต่อกัน 4. เป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมะเป็นเครื่องทมให้เป็นผู้ว่าง่าย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 เป็นผู้ใคร่ธรรมะในที่นี้หมายถึงรักพระพุทธพจน์คือพระตายปิดกเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีความปราโมยอย่างยิ่งในพระอภิธรรมข้อนี้หมายถึงสัตตประกัรณธรรมคือพระอภิธรรมเจ็ดคำพีหรืออีกในหนึ่งคือมัคสีและผลสีในพระอภิวิัยหมายถึงกันตกะบริวารหรืออีกในหนึ่งหมายถึงธรรมะที่เป็นเครื่องระงักอิเลส เป็นผู้ใกรรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีความประโมดอย่างยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินัย7เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาส น, นะและกีฬาณปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้8เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิด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 ชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบนี้เป็นนาถกรณธรรมสิบประการคือธรรมะเครื่องกระทำที่พึ่งกสินายตนะสิบที่เกิดหรือที่เป็นไปแห่งธรรมทั้งหลายโดยบริกรรมกสินเป็นอารมณ์คําว่ากสินหมายถึงวัตถุสําหรับเพ่งเพื่อจูงใจให้เป็นสมาธิหนึ่ง บุคคลหนึ่งจำปัทวีกสินได้กสินคือดินทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณสองบุคคลหนึ่งจำอาโปกสินได้กสินคือน้ำสามบุคคลหนึ่งจำเตโชกสินได้กสินคือไฟสบุคคลหนึ่งจำวายโยกสินได้กสินคือลมห บุคคลหนึ่งจำนีรักสินได้กสินคือสีเขียว 6. บุคคลหนึ่งจำปีตักกสินได้กสินคือสีเหลือง7บุคคลหนึ่งจำโลหิตตักกสินได้กสินคือสีแดง 8. บุคคลหนึ่งจำโอทาตักกสินได้กสินคือสีขาว9บุคคลหนึ่งจำอากาศกกสินได้ กระสินคือความว่าง 10. บ, บุคคลหนึ่งจำวิญญาณในกะสินได้กะสินคือวิญญาณทั้งสิบประการจำได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่าเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณอากุศลกรรมาบท10บทางแห่งอกุศลกรรมได้แก่ปานาติบาทการฆ่าสัตว อธินาทานการลักทรัพย์การเมสุมิฉาจาร์การประพฤติผิดในการมุสาวาทการพูดเท็จปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียดภรุสวาจาการพูดคำหยาบสัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจอ้ออภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขาพยาบาทความคิดร้ายและมิจฉาทิฐิความเห็นผิด กุศ ล, ลกรรมบทสิบทางแห่งกุศ ล, ลกรรมได้แก่ปาณาติปาตาเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินนาทานาเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จปิสุนายวาจายะเวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดพรุษายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบสัมผัสปลาปาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้ออนาพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขาอัพยาบาทความไม่คิดร้ายและสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ อริยาวาทสิบธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละองห้าได้เป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกเป็นผู้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นผู้มีอปัสเซณธรรมสี่ประการคือธรรมะเป็นดุจพนักพิงเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้ หมายถึงความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปโดยยึดถือว่าความเห็นนี้เท่านั้นจริงความเห็นนี้เท่านั้นจริงเป็นผู้มีการสแสวงหาอันสละได้ดีเป็นผู้มีความดำริอันไม่กุ่นัมเป็นผู้มีกายสังขารอันระ ง, งับได้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีและเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีภิกษุ ผู้ละองห้าได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะความพอใจในกามได้เป็นผู้ละพยาบาทความคิดร้ายได้เป็นผู้ละทีนามิทะความหดหู่และเสื่อมซึมได้เป็นผู้ละอุทธะ จ, จ, จักอุกกุทจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจได้เป็นผู้ละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยได้ ภิกษุเป็นผู้ละองห้าได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองคหกเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วฟังเสียงทางหูดองกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผพพะทางกายรู้ธรรมารมทางใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่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 คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีอัปภเษนธรรมสี่ประการเป็นอย่างนี้แลสําหรับคำว่าพิจารณาแล้วเสพหมายถึงพิจารณาแล้วใช้สอยปัจใจสีมีจีวรเป็นต้นพิจารณาละอดกลั้นหมายถึง พิจารณาและอดกลั้นต่อความหนาวเป็นต้นพิจารณาและบรรเทาหมายถึงพิจารณาและบรรเทาอากุศลลวิตตกมีกามวิตกคือความตรึกในทางกามเป็นต้นพิจารณาแล้วเว้นหมายถึงพิจารณาแล้วเว้นช้างดุร้ายหรือคนพานเป็นต้นภิกษุเป็นผู้มีปัจเจ ก, กสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างไร คือปัจเจกสัจจะเป็นอันมากของสมณพราหมณ์จำนวนมากที่มีอยู่ทั้งหมดภิกษุในพระธรรมวิไนนี้บรรเทาได้กำจัดได้สละได้คลายได้ล่อยวางได้ละได้สละคืนได้ภิกษุเป็นผู้มีปจัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีการสแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละการแสวงหาการได้ละการแสวงหาพบได้ระงับการแสวงหาปรงมจรรย์ได้ภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุนมัวเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดาริในกามได้เป็นผู้ละความดำริในพยาบาทได้ เป็นผู้ละความดำริในวิหิงสาได้ภิกษุเป็นผู้มีความดำริอันไม่กุลมัวเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละละสุขและทุกขได้เพราะสมนัตและโทมนัต ด, ดับไปก่อนแล้วจึงบรรลุจตุตตะชาญที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุข มีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอนรังับได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นจากราคะมีจิตหลุดพ้นจากโทสะมีจิตหลุดพ้นจากโมหะภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างนี้แล ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รู้ชัดว่าราคะเราละได้เด็ดขาดรู้ชัดว่าโทสะเราละได้เด็ดขาดรู้ชัดว่าโมหะเราละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างนี้แลอาเสกธรรมสิบหมายถึงธรรมะที่เป็นผลและธรรมะที่เป็นสัมปยุทธด้วยธรรมะเป็นผลนั้นเป็นธรรมะระดับโลกุตระของพระอาเสขรระคือพระอรหันตขีนาศได้แก่สัมมาทิฏฐิที่เป็นอาเสขะ ในที่นี้หมายถึงปัญญาที่ทำหน้าที่เห็นอารมณ์ของตนถูกต้องสัมมาสังกัปปะที่เป็นอเสคาสัมมาวาจาที่เป็นอเสคารสัมมากัมมันตะที่เป็นอเสคารสัมมาอาชีวะที่เป็นอเสคาสัมมาวายามะที่เป็นอเสคาสัมมาสติที่เป็นอเสคารสัมมาสมาธิที่เป็นอเสคารสัมมายานะที่เป็นอเศคาร ในที่นี้หมายถึงปัญญาที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์ของตนถูกต้องทั้งสัมมาทิฏฐิและสัมมาญาณในพระสูตรนี้หมายถึงปัญญาเหมือนกันแต่ทําหน้าที่ต่างกันหลักข้อสุดท้ายสัมมาวิมุตติที่เป็นอเศขะท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหลคือธรรมะที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น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 ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแล้วตรัสกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าดีละดีแท้สารีบุตรที่เธอกล่าวสังคีติปริยายแก่ภิกษุทั้งหลายท่านพระสารีบุตรได้กล่าวสังคีติปริยายนี้แล้วพระาศาสดาทรงพอพระทยัยและภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทิ์ของท่านพระสารีบุตรแล้วแล สำหรับคำว่าสังคิติปริยายคือแนวทางแห่งการสังคยนาจบสังคิติสูตร